สัพพทุกยน่นลงมาถึงเอกทุกในปัจจุบันสัพพะโรกยน่นลงมาถึงเอกโลกในปัจจุบันพระบรมศาสดามัใช่เทศขยายหน้าเดียวเชื่อกเส้นเดียวนั่นน่ยพระบรมศาสดาเทศเวลาท่านขยายออกก็ดึงออกไปเวลาท่านม่วนเข้ามาโค้งเข้ามาก็าเป็นอันเดียวกันสัพพ น, นามสัพพ น, นามนามแปลว่าชื่อมันก็ย่นลงมาหาเอกานาม สัพพะรูปก็ย่นลงมาหาเอกรูปสัพพเกิดก็ย่นลงมาหาเอกเกิดจะตายมากน้อยสักเพียงไรก็ถึงมาตายอันเดียวทอนนั้นภาษารีบุตรนับเป็นหินเป็นทรายในท่องมหาสมุทรได้ก็ต้องนับอย่างนั้นถ้าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใครจะเป็นพี่บ้าไปเป็นกรรมการฟังอยู่นั้นมันไหนกี่วันมันจริงจะครบถูกไหมล่ะถูกครับออืถูกครับต้องนับในฝ่ายทั้งข้าวโหเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงว่า สังก์หออสังขหโหนสังขหโหอแปลว่าเราสงเคราะห์ลงมาเนื้ออสังขหโหอเราไม่สงเคราะห์แล้วพูดขยายครับจิตแปลทุกเก้ายดวงก็ย่นลงมาหาดวงเดียวเอกจิตตังถูกไหมอัดีตอนาคตย่นลงมาในหาปัจจุบันใครเป็นผู้ไปสาวหาอดีตก็คู่ก็คือผู้ปัจจุบัน ใครเป็นผู้ไปสาวหาอนาคตก็คือผู้ปัจจุบันนั่นใครเป็นไปพุกเป็นผู้สมมุติอดีตมาใช่ก็คือผู้ปัจจุบันใครไปสมมุติอนาคตมาใช่ก็คือผู้ปัจจุบันเมื่อจับตัวของผู้ปัจจุบันได้แล้วมันก็หมดทวนทางครับเราจะนับถึงล้านก็นับไปจากหนึ่งถ้าย่นลงมาก็ย่นลงมาหาหนึ่งถูกไหมถูกครับอืดินก็เหมือนกัน เราย่นลงมาอันเดียวเท่านั้นทีนี้เราย่นโรคลงมาเราภาวนาย่นโรคลงมาให้เล็กเทอาปลายเข็มย่นสังขาลงมาเล็กเท่าปลายเข็มเล็กกว่านั้นไปอีกนั่นแนหะโรคทั้งหลายยัดเยียดกันขนาดนั้นหละ่ะเวลาจิตของเราละเอียดเรารวมสมาธิลงละเอียดสักเพียงใดก็ตามโรคจะยัดเยียดกันลงมาถึงเพียงนั้นเรียกว่าเรา ย่นโลกลงมาแล้วย่นทั้งขาลงมาแล้วย่นความสงสัยลงมาแล้วเข้าใจาหลักทีนี้ครับถ้าถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่สิ้นความสงสัยเลยในพระพุทธศาสนานี่ที่คือคำว่าคาว่าย่นยนเนี่ยหลวงปู่ผมมีอีกนิดนึงที่เคยเคยยินมานะว่ามี พระวิสูจน์ซึ่งสามารถจะย่นระยะทางให้ได้เี่ยเท่าเท่ากับคือคือย่นอันนี้ตรงกับที่หลวงปู่ที่บานนี่ไหมครับกรุงหลวงปู่ครับคือแทนที่เขาจะจะจ ะ, จะใช้เดินก็คือใช้วิธีนึกเอาใช่ไหมครับหลวงปู่ใชถูกนะนึกเอาแต่แต่จริงๆไปแบบจริง ๆ, ๆแล้วเมื่จะเดินไปไปร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยจะใช้เวลาแค่เดินเท้าครึ่งชั่วโมงคงเป็นไปไม่ได้นะหลวงปู่แต่การไปของพระวิสูจน์นี่คือไปด้วยด้วยปัญญาไปด้วยการ ถูกแล้วโทนาไปที่หลวปูธิบายนี่ใช่ไหมครับก็นั่งอยู่บรนลังเดียวขคณะคิดเดียวนี่เห็นไตโลกรธาตุเมื่อเห็นความแก่ก็เห็นหมดไตโลกรธาตุแล้วแล้วจะไปเหาะเหินเดินอากาศไปดูมันจึงจะเชื่อ อ, อย่างนั้นลราก็โงดด่ตายเราไปที่ไหนมันก็ไม่สุดโลกไปแต่นี่ไปหาวันตายเราก็ไม่สุดโลก ถ้าเราไม่เชื่อในปัจจุบันกิจปัจจุบันนธรรมถ้าเราไม่เชื่อในปัจจุบั น, นกิจปัจจุบันธรรมแล้วเราก็สงสัยในพระพุทธศาสนาเองนานาจิตตังก็ออกไปจากเอกจิตตังพระพุวธชนะพระชนะแปลว่าคําพูดพระพูดแปลว่ามากจะพูดมากสักเพียงไหนก็ออกไปจากอันหนึ่งจะนับถึงล้านก็ออกจากไปจากหนึ่งจะย่นลงมาก็ย่นลงมาหาหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นก็ไม่สิ้นความสงสัยทุกก็มีอันเดียวเนีนยสรรพทุกข์ทั้งปวงก็เอกทุกในปัจจุบันชัดแล้วสรระสังขารทั้งปวงก็ย่นลงมาหาเอกสังขารในปัจจุบันปัจจุบันัญ จ, จะโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นชื่อว่าไม่งอนแง่นคนลอนแคลนในพระพุทธศาสนาและจะไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาเองด้วยและจะไม่กล่าวตูในพระพุทธศาสนาเองด้วย กาวถึงพระพุทธศาสนากับกล่าวตูงตนเองก็อันเดียวกันสงสัยในพระพุทธศาสนากับสงสัยตนเองก็อันเดียวกันเพราะพระพุทธศาสนาสอนลงในแต่กฎ์ละกายใจที่ที่ถามเนี่ยที่คำนย่นจะถามาจริงไหมที่ว่าย่นระยะทางไปได้เนี่ยที่มีว่ามีผู้ทําได้ทําได้จริงไหมที่แบบว่าย่นระยะทางเดินเนี่จากนี่ไปร้อยเอ็ดอย่างที่ว่าเนี่ยโดยใช้เวลาเพียงแค่ใช้เดินเท้าครึ่งชั่วโมงเนี่ย ไปได้จริงไหมไปได้จริงด้วยฤทธิ์ไปได้ได้ฤทธิ์ไปไปด้ยฤทธิ์ไปได้ฤทธิ์เป็นอธิแกนไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยตัวใช่ไหมครับไม่ได้ไปด้วยตัวไปด้ยฤทธิ์ไปด้วยจิตไปด้วยจิตโดยฤทธิ์ได้เหบางกันารผมผมผมเข้าใจแล้วครับผมผมเข้าใจเลยครับคือที่หลวงปู่บอกทุกปู่นั่งเนี่ยหลวงปู่สามาจะเห็นได้รอบโลกใช่ไหมครับเใช่ธรับพะเพ่อฤทธิ์อันนี้ขึ้นไปหรือเปล่าพอเห็นด้วยปัญญา ไปด้วปัญญาครับพอหลวงปู่เจริญเจริญปัญญาได้ครับก็ถ้างหลวงปู่เนี่ยเดินทางเป็นละรอบโลกแล้วปู่สามารถจะมองเห็นได้ว่าที่ตรนั้นเขามีอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกแล้วคือผมเพิ่งเข้าใจเพราะที่ผมคิดเข้าใจว่าพระภิกษุที่เจริญภาวนาได้สามารถจะก้าวไปได้ไกลฝาสามัญชนธรรมดาเดินแต่จริงๆแล้วไปด้วยไปด้วยฤทของปัญญาไปด้วยปัญญาครับ เรื่องปัญญาปัญญายปนิสุทธิ์สติบุคคลจะบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาปัญญาโลกรมิปัโตรโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญายะปริสุทธิ์สติบุคคลผู้จะบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญา เพรฉะนั้นจึงว่ายิ่งพัฒนาพาวยิ่ยิ่งพัฒนาทุระไม่ใช่จะสมาธิทุระพระพุทธศาสนาอรับศีลไม่มีสมาธิจะมียังไงสมาธิไม่มีปัญญาจะมียังไงต้องศีลดีถึงจะเกิดสมาธิมันต้องหนุนนําหน้นนะโนุนให้ศีลหน้นด้วยผู้ที่บริสุทดน้ำไม่มีเนื้อจะมีมาจากไหนกระดูกจะมีมาจากไหน ท่านในก็ดีสมาธิไม่มีปัญญาจะมีมาจากประตูไหนครับสมาธิก็เป็นบาทของอภิษนาเลยเป็นหลักของเป็นเป็นหลักการพิจารณาอภิษนาเป็นหลักของการพิจารณาปัญญาแล้วสมาธิแปลความตั้งมั่นศีลน์แปลเอาตาศีนลงในที่แห่งเดียวสมาธิแปลว่ามั่นตั้งมั่นลงในที่แห่งเดียวปัญญาแปลว่ารอบครอบในที่แห่งเดียว ถ้ารอบครอบในที่แห่งเดียวแล้วอย่างอื่นๆก็ไม่ช่องสงสัยถ้าสงสัยอันหนึ่งก็ต้องสงสัยหมดนงครับใช่ครับสงสัยจะได้ถ้ารู้ชัดอันหนึ่งก็รู้ชัดหมดชัดหมดเข้าใจดีแล้วนะทีนี้ครับครับเริ่มกระส่ายขับยิงหรือหรือขับแก้ําคาร์ถ้าผมกล้ลมคาร์ผมรู้ผมกลับไปนอนแล้วลูกบุกภาพว่า ถ้าเกิดว่าแก้ลาคาบไนี่ผมกลับไปนอนแล้วเขื่อผมไม่ผมไม่ทราบนะว่าอะไรที่ที่ผมกล่าวเรียนฐานหลวงปู่ไปเนี่ยผมไม่เลที่ผมสงสัยมานานสงสัยศาสนาพุทธแบบที่หลวงปู่ว่าไม่ต้องสงสัยศาสนาพุทธมันขึ้นอยู่กับมนุษย์แต่ละลายของบุคคล ท, ทำไมปฏิบัติปฏิบัติจริงก็ยังเกิดผลจริงจงถูกแล้วเราจะไปดูถูกดูหมิ่นศาสนาพุทธเมื่อเห็นเขาปฏิบัติหย่อนเราจะไปดูถูกศาสนาพุทธมันก็เป็นเรื่องของเขา เราจะไปเห็นคนจนเราก็จะละอาเศรษฐีมันก็ไม่ได้เนี่ยผู้ที่เขาเป็นเศรษฐีก็มีอยู่คเคราไม่ได้จนหมดฉันใดก็ดีเราไปเห็นผู้ปฏิบัติยอดผู้ปฏิบัติไม่ดีผู้เขาปฏิบัติดีกว่านั้นมีอยู่มันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผู้อีกอีกที่หน่ ง, งครับหลวงปู่ฮะคือเมื่อกี้หลวงปู่พูดว่าอยงขนาด น, นี้นะหลวงปูมามา่มีคนมาทํา ระบบปลาปลาไฟฟ้าปลาอะไระให้ใช่เป็นคนรวยหลวงปู่นะฮะหลปูก่ก็มีความสรัทธาในคนคนนี้นะเท่ากับว่าคนที่ทําบุญมามากจะต้องจะต้องได้ผลบุญเลยตอบแทนนะฮะอาจจะคือคนทำบุญมามากเนี่ยอาจจะเรียกเชื่ออย่างผมนะตายไปนั้นขึ้นสวรรค์ใ ช, ใช่ไหมครับหลวงปู่ใช่ไหมที่พูดที่ผมพูดจะถูกไฮะคือคนที่ทําบุญไนดะ้สร้างสร้า ง, างวัดฐาวนวัดปู่เข้าในพุทธศาสนาอะไรต่างเนี่ย เมื่อตายไปแล้วเริงตายเนี่ยจะไปอยู่ขึ้นสวรรค์จริงไหมล่ะพูดมันก็ขึ้นอยู่กับขณะดจิตของเขาเองเพราะเจตนาของเขานะ่ะเขาสร้างเพื่อสวรรค์หรือเขาสร้างเพื่อพ้นทุกข์ในวตรรารชงสารมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเีกมันไม่ขึ้นอยู่กับเราผู้ทำนาทายทักแห่งเดียว ขึ้อยู่กับเจตนาของก่อนนะครับผมพวกเราจะเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดอย่างคนที่จนในหมู่บ้านนี้ซึ่งไม่สามารถจะสร้างให้ได้เงินล้านเงินแสนถนนถนนอะไรแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีโอกาสมีโอกาสได้รับพรได้รับอะไรจากจากผลบุญอะไรมาซึ่งบางทีเขาไม่เข้าไม่ได้มามามาถวายเงินถวายทองสร้างอะไรเลยนัุ่งปู่นะซึ่งแตกต่างกับคนร่ํารวยซึ่งเอาเงินมาถวายอะไรต่างๆเนี่ย ที่คนจนอย่างชาวนาทยผมนั่งรถผ่านเอาเนี่ยนะคมลงนำนะคือเรื่อว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่นี่คนลบุญอันนี้เขาจะดีไมใครจะได้ ม, ง, มงไม้ครับเขาก็ได้ถ้าบารมีของเขาแก่กล้าเราให้นึกดูอย่างนี้พระพุทธศาสดาของเราเนี่ยผู้ที่คนจนเป็นพระอรหันต์มีหรือไม่ผู้ที่เป็นคนรวยมีเป็นพระอรหันต์มีหรือไม่เป็นพระสสดาบันมีหรือไม่ สำหรับเกลืออ่ะเมื่อคนรวยไปกิปจึงจะรู้จักเข็มหรือหรือคนจนก็รู้จักเข็มเหมือนกันครับครับเท่านี้พอแล้วนะครับพอแล้วครับผมผมเข้าใจเลยครับก็ลูกคุณลุงปูมาพอดีชั่วโมงพอดีนะครับที่ผมวาล่ะนาลุงปูไปผก็กราบขอบคุณลุงปูครับพี่ผมได้อะไรมาเยอะๆเลยครับเป็นไงมาหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยหายเน่ย วันนี้นั่งามาหกร้อยกิโลออกมาแต่งงเช้าว่าเมื่อไหร่จะถึงนึงที่ได้มากับหลวงปู่ก็บอกมีโอกาสมา ก, ก็ยาใ ห, ใหาปูเปลา่าเนี่ง <c oughs> ติดเสยติดเป่าแล้วที่นี่ เ, <c oughs> เป็นงูเห่าพุโทโธตะโมทังโกออกไปพุทโธตะโมทังโกะน่ะมาหลอกหาอุบายหลวงปู่ให้หลวงปู่เปล่างูนี่หลวงปู่ไม่ใช่ไม่ใช่เศศาสตร์ดอกให้พร ล, ลูกหลานให้พรนได พูทัท่วธรรมโมสรสภมิเ<อ><อ>ป็นุเป็นสุขยเดียวอย่าลืมอันยศัตวเทศเนะ้นอะอันยศัตว์เทเสือสาศาสตราอื่นมาตุคฆ่าฆ้ามันดาพิโุค่าฆ้าวีดาอรหัตค่าฆ่าพรหันโลหิตตบาททำลายถึงพุตถุเจ้าให้ยังพลงหิตห้ห่อขึ้นไปทั้งกระเศอยังสงแต่จากกันอันยศัตวเทศถือาศาสตาอื่นกรรมหกอย่างนี้ห้ามสวรห้ามนิพานตั้งในฐานปาราชิก องผู้ถือพุทธศาสนาห้ามไม่ทำเป็นเดดขาดไมค์คาไม่สามารถได้ น, นักพณิยพานในชาตินี้แต่ว่าชาติต่ อ, ตอไปนั้นก็สามารถจะได้ไมค์คอในปัจจุบันในชาติไม่สามารถจะถึงหลกงปตาละถ้าไปติดอยู่อย่างนั้น <Okay. S 1> เข้าใจไหมครับคือผมเกือบไปแล้วนะครับว่กถือศาสนาอื่นหลวงปู่ถ้าผมไม่ไปเจอหลวงปู่วันนี้นะผมก็ยังคิดว่า ศา ส, สนาพุทธเนี่ยจะต้องนับถือศาสนาอับนับถือศาสนาอะไรก็ได้ยบก็เลยอยากเข้าไปนับถือว่าเยซูนี่ก็ดีนะฮะนั่นน่ะเดียวกันคือพระโมหมบัตเองครับศาสนาอื่นๆเขาไม่มีพระโวดาบันเขาไม่มีสักขาคามี่อเขาม่มีพระอนาคามีเขาไม่มีพระละหันถึงจะปฏิบัติดีสักเพียงไหนก็ไม่มีเพราะเป็นโลกิยะศา ส, สนรอานั้นศาสนาพุทธเท่านั้นผู้ปฏิบัติดีจะถึงโลกุตระได้ เราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมพระบรมศาสดาพูดอยงนั้นเรายืนยันเข้าข้างธรรมเรามายืนยันเข้อข้อข้างตัวเรายืนยันเข้าข้างธรรมทำเป็นจริงอยู่อย่างนั้นคือเล็กนี่ผ่านมาหลายแห่งไปรับเรือมังกรละมงกรราชบุรีมาไปอยู่เมืองนอกไปพบศัศนาอื่นมาด้วยก็เลยคิด ไหวอ ย, อย่างนู้นจะ ด, ดีอย่างนีนจ้จะดีผมไ<ผ>ม่เคยไปไหว้ข้ารศิลังกาเลยนข้อพิสูจน์นะผมเคยเคาไปไหว้มาแล้วฮะที่คนไทยเขาย า, ยามปฏิบัตการไปผมเคยไปมาแล้วคนศิลังกาเนี่ยไม่ค่อยไหวพระพุทธรูปนะะจะไหวต้นโพนะครับที่ผมเห็นมานะครับผมก็ไถามเขาพอผมเดินเข้าไปในบริเวณวัดเนี่ยเขาจะชี้เลยว่าให้ผมถอดรองเท้าแล้วผมไม่ต้องถือรองเท้าเดินนะไปแต่ผมไม่เข้ไปไหวพระพุทธรูป แต่ใ น, นเดียวกันชาวศรีลกาจะไหว้ต้นโพจะไหว้พระศรีมหาโพธิ์พ ร, นนพรนนพะพุทธรูปุทก็ดีต้นโพก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันครับก็เป็นที่เกี่ยวข้องกับพระบรมาาศาสดาก็มีความหมายอันเดียวกันแต่พมอมาถึงบ้านเรานี้เราจะจะไหว้พระพุทธรูปซะเป็นเรียกว่าร้อเร์เซนะครับร้100อยเปอศาสนาพุทจะไหว้พระพุทธรูปก่อนก่อนแนะ้วอย่างต้นโพนี่จะไม่เคยมีใคร กล่าวถึงเท่าไหร่นะครับต้นโพก<ต>็เป็นที่ตัดสลูยุกของพอระบรมศาสนาเป็นล่มครับเป็นพุทธานุสติเราระลึกถึงในตัวก็ได้พระพุทธลูกก็บแทนลูกของพอระบรมศราสดาเช่นไฟอย่างนี้พระพุทธพระบรมศาสนาดอกไม้เหล่านี้พระบรมศราสนาท่านท่านชอบหรือเราเอาไปบูชาทําไมท่านชอบชอบดมดอกไม้หรือเราเอาไปบูชาคุณเฉยไม่ใช่ว่าท่านดมดอกไม้เสงสว่างก็เหมือนกัน ไปอย่างนี้เราไปบูชาพระคุณของท่านเป็นอามิสสบูชาบูชาจากปูชนียาหนังเอตัมมังคลมุตจะมังบูชาในพระพุทธศาสนามีสองอามิสสบูชาหนึ่งปฏิบัติบูชาหนึ่งแต่ปฏิบัติบูชามีอนิสงส์มากกว่าอามิสสะบูชาครับปฏิสันถานในพระพุทธทางพุทธศาสนาก็มีสองอามิสสะปฏิสันฐานปฏิสันถานโดยอามิสข้าวน้ํา เป็นต้นธรรมปฏิสันฐานปฏิสันฐานโดยธรรมด้วยธรรมะกล่าวธรรมะถึงกันแล้วกันแต่จะเวนอมิตราปฏิสันฐานก็ไม่ได้จะเวนอมิตราบูชาก็ไม่ได้เหมือนกันเล่นไม่ได้ยกกุท้อนเช่นกระทาทายได้ดอกบัวมาเราจะไปถวายบูชาพระมาลัย พรอมอะมาลายเมื่อท่านได้รับแล้วเออเรวเข้าฌานได้เราควรจะไปบูชาธาตเกศเจ้าจุลนามณ์ น, นี้พรอมอะมาลายก็เข้าฌานไปบูชาธาตเกศเจ้าจุลนามณนี้ที่คนทั้งหลายปฏิเสธอาวิสสาบูชาโดยถ่ายเดียวก็ไม่ถูกอมวิสแล้วก็ควร บ, บูชาท่านพูดอย่างนั้นหรอครับบางท่านเขาเอาทุบเอาเทียนมาคว้างทิ้งเออฉลาดเกินครูไป เขาเอามาให้โดยชอบทำโดยเรามาด้ขอแล้วก็บูชาคณของท่านที่นี่บุคคลผู้เกิดมาในวัตสงสารผู้มีตาสายแกวตลอดถึงเก้าสิบปีก็ทั้งยังสนเข็มได้ก็เพราะเคยถวายแสงสว่างใจชาติก่อนท่านพูดอย่างนั้นนางอุบวนวันนาเอาดอกบัวไปถวายพระปัจเจก เกิดมาพบใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้ามีสีเหมือนดอกบัวนางอุบลวันนาก็ต้องมีสีเหมือนดอกบัวมาทั้งห้าร้อยชาติวันนาวั น, นะแปลว่าสีวั น, นะแปลว่าสีกายอุบลอุประอุบลแปลว่าดอกบัวนางท่องเที่ยวในวัดตาสงสารนานไปนานมาก็เข้าสู่พระนิพพานพร้อมกัพ บ, บพระบรมศาสดานางอุบลวันนากับ นางกันหานั่นก็อันเดียวกันแต่คนละชาตินางกันหาชาติเป็นพระเวสสันดร น, นางอุบลวันนาเป็นชาติชุดท้ายนี่ยชาติชุดท้ายที่เข้าสู่พระนิพพานก็นางเก่านั่นเองศาส น, นาใดๆในโลกจะเสมอเหมือนพระพุทธศาสนาไม่มี สาวกเบงทรายบื้อ ง, งขวามีบริบูรณ์สร้างบารมีมาเท่าใดมีบริบูรณ์หมดพระโมกคณาก็สร้างบารมีมาแต่ขั้งพระเจ้าอโนมมัติสีนี่พระสารีบุตรก็เหมือนกันมีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เท่าพุทธศาสนาเลยพุทธศาสนาสอนลึกลับเต็มทีในระหว่างพร ะ, มพร ะ, พระกมีพระพุทธศาสนาก็สอนครับใช่ครับพระพุทธศาสนา เป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการเทวบุตรเป็นการเทวดาเป็นการของพปัสดาวบันเป็นการพระสกทาคามีการพระอนาคามีการพระละหันส่วนพระละหันท่านมาได้สอนมากการท่องเที่ยวในวัดเจ้าทรงสาร<ไ>อของพวกเราจบเพียงแค่นี้เนอะเขานั่น <ไอ S 2> คื อ, <ไ>อแกเก็บตาของพวกเราไม่มีอีกแล้วอย่างีอยิบยัะคือสมัยก่อนเนี่ยไม่มีทูบไม่มีเทียนนะครับถ้าเราจะยกมือตั้งจิต หรือว่าบูชาทุกคืนเนี่ยจําเป็นจะต้องใช้นะทูลเทียนมันมีมาโดยเป็นธรรมเราก็ใช่ไม่มีเราก็ไม่ใช่แล้วผลนะะผลก็ของการบูชาเนี่ยจะเสมอถึงแหมแต่เราสั่งจิตด้วยนี่ฮะใส่นิ้วกับนั่นไปโดยไม่ต้องประกอบด้วยสิงพวกนี้ทั้งทิ้งที่บางครั้งก็ราคาก็แพงความจำควรอะไรเนี่นะอืได้ม้องกันได้ป้องกันจิตเราปัด ได้บัติสมันเสมอเงี่ยก็ไม่จําเป็นได้ใช่ไหะได้มไม่จำเป็น<อ>ไม่จําเป็นไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นทีนี้คนจนก็มีเป็นพระสวัสดิวันเจ้ากราทางามีอาณาคารามีพระลาห ค, คนรวยก็มีในข้างพุทธการคนลูกเศรษฐีก็เป็นพระลาหนหลายมากหลายคนจนก็เป็นพระลาหนมากพระาราธพามก็คนจนครับพวกโจรผู้ร้ายเนี่ยก็เป็นคนโจร อยู่ที่ตั้งจิตแ น, แน่วแน่เองทหารก่าถูกเลยครับคําสอนแนวทางพุทธศาสนาละเอียดและอวมากพวกพมเชมาซาุดนั่นเขาก็ภาวนาเก่งเหมือนกันนั่นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เขาก็บริกรรมอยู่อย่างนี้แต่ไปพมโลกได้เหมือนกันพมเชลาสูตรคือสูตรที่มีชลา ยังมีชะลาอยู่ยังมีมรณะอยู่เรียกกินเรียกว่าพรมชะลาสูบพรมจพมพงน์ศาสนา อ, นอื่นๆเขาจะกืนกินศาสนาพุทธ ก, กินไม่ได้ดอกนักปราชญ์ยังมีอยู่กืนกินไม่ได้ผู้ปฏิบัติเดชปฏิบัติชอบยังมีอยู่ยังกืนกินไม่ได้ ว่าบุญญาก็ยังผิดกันลิบเล ย, ยกือินกินไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยเขาไปชันขั้นแข่งเขาพระพุทธศาสนานี่แต่เขาคืนกินไม่ได้คือททางพุทธยังเห็นจริงเห็นจังกว่ามากเห็นจริงเห็นจังกว่ามากมีเหตุผลมากครั บ, ก, รบก็ลองดูคิดดูวันหนึ่งวันหนึ่งศาสนาพุทธเลี้ยงมนุษย์มากขนาดไหนนี่คุณพระพุทธธรรมประสงค์ ด้านจีวรจะมีกี่ล้านด้านบิณฑบาตจะมีกี่ล้านด้านเสนาสนะจะมีกี่ล้านครับด้านเพศพสัจขันจะมีกี่ล้านทีนี้เรามาคิดดูเท่านี้ก็พอหรอก <Okay. S 1> ทุนของอาวิธในทางพุทธศาสนากับทางอื่นอันไหนมากกว่ากันทีนี้พูดที่ถือพระพุทธศาสนานั่ยนะ เขาเป็นคนโง่ดอกหรือพรบรมราชาเป็นคนโง่ดอกหรือดูผิวพัรรณวันละขององค์ท่านสิกับพรบรมราชากันทางอื่นนั่นนะ่ะประเทศอื่นนั่นน่ะชมหน้าต่างกันไหมเออเท่า น, นั้นพอแล้วเท่า <laughs> น, นั้นพอแล้ว <laughs> นั่นแหละหัวจักในทางประเทศของเราหัวจักในทางคาราวาน ราชาโนราชาโนราชาโนมีทุกยุค ท, ทุกสมัยของพระบรมศาสดาเพราะพระบรมศาสด า, ศากับพระมหากษัตริย์นี่กับพระบรมราชาเนี่เป็นคู่กันมาแต่หลายหลายแล้วที่นี่แล้ ว, วจะไปขี้หึงว่าท่านเป็นพระบรมราชาจะไปกดคอให้ต่ําลง มันก็ไปไม่รอดทําไมถึงไม่ไปกดคอพระพุทธเจ้าให้มาเป็นพุทธชนคนหนาก็กดคอไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนเก่งเราจะเสกสรรให้ประสวดาบันลงมาเป็นพุทธชนบนมัมมัมมัมมในปากแล้วก็พ่นลมไปให้เธอเป็นพุทธชนซักใส่ใส่พระอาหารหันต์ให้มาเป็นพุทธชนสาวกของท่านนั่น ก็เป็นไม่ได้เหตฉะนั้นพระบรมศาสีริกธาตุเขารบธรรมสัทธาโมคลุกกาตบูรศาสนอื่นๆที่นี่อ้าวเราจะลองถามดูที่นี่อะไรก็พระภูมเป็นเจ้าสร้างอะไรก็พอพระภูมเป็นเจ้าสร้างพระภูมเป็นเจ้าก็คือหัวใจของเรานีนเองมันผู้สร้างขึ้นครับออชบถูกไหมถูกต้องครับ ทีนี้อะไรก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างอะไรก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างพระผู้ เ, เจ้าไปสร้างอลูกพญาติปากขอมาให้เบียดเบียนคนทําไมเสือสร้างมาทําไมเอองูสร้างมาทําไมมีประโยชน์อะไรนั่น <c oughs> ก็กรรมของสัตว์พระบรมศาสด า, ศา พ, พูดอย่างนั้น <c oughs> กรรมของสัตว์เวรของสัตว์นี่อที่ว่าค่าสัตว์ได้บุญทีนี้ เขาจะมาฆ่าเราเอาบุญเราจะยอมไหมล่ะทีนี้จะฆ่าให้เราไปสวรรค์วันนี้เราเราจะยอมไหมล่ะไม่ยอมนั่นพระบรมศาจจาให้เอาตนเป็นพยานจริ ง, จ ร, งจริงไหมล่ะ ใ, ใครๆก็ต้องรับชีวิตของใครเอ้าวที่นี่อธิบายฟังปานอ า, าทิบาตถ้าไม่มีการฆ่าสัตว์จากชีวิตชาตราอาวุธก็ไม่ต้องมีอธิ น, า ท, นาทาน ถ้าไม่มีการรักฉกจกหอ่อวิ่งลาววิ่งไทยวิ่งเก๊กฟื้นกีนการดูแลรักษาก็ไม่มีคุกก็ไม่มีตารางก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีจะสบายไหมล่ะโลกบบากามีสมิตร์ช้จานลูกใครมีอะไรไปด้วยกันก็สบายนอนก็ไม่สะดุ้งผวาไม่เป็นห่วงด้วยถ้าเคารพอันนี้แล้วเนี่ยมุสาวาตฟูเทปทีนี้ ใครพูดเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นผูพ้พูดก็ไม่เสียเวลาผู้ฟังก็ไม่เสียเวลาสุราเมาีไรถ้าไม่ดื่มสุราเมาีไรข้าที่เอามาทําสุราเมไรแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดมดกี่ตันเอามาให้คนกินอย่างอื่นไม่ดีกว่านั่นหรือนี่อกินเหล้าแล้วมันอาถารก็พิว่าอาถรอื์ไม่ใช่คนมีปัญญาอาถรรืมรพิว่าอาถาร มันมีปัญญาปัญญาอะไรอไม่เห็นมันมีปัญญาดื่มหน้าเมามีโทษหกหนึ่งเสียสครับย์สองของการทะเลาะวิวาทสามเกิดโรคสี่ต้องตีเตียนห้าไม่รู้จักอายหมดหกตอนกำลังปัญญาน่ะมีผิดที่ไหนเที่ยงกลางคืนมีโทษหกชื่อว่าไม่รักษาตัวชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย มักถูกใส่ความได้ความลําบากมากเชื่อดูการเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปดูหกําที่ไหนไปที่นั่นกับสีตีเปล่าที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นสะโพกที่ไหนไปที่นั่นโทษเทิงที่ไหนไปที่นั่นการไปก็ต้องเสียเงินในกระเป๋าเสียเวลาอีกด้วยนั่นชิพหายไหมนั่นเรื่องการพนันมีโทษหกเมื่อชนะย่อมก่อเวรเมื่อแพ้ย่อมเสียไดทรัพย์ที่เสียไปทรัพย์ย่อมชิพหายยังย่ําลงอีก ไม่มีใครเช th th Christie, ื่อถือถ้อยคําเป็นที่มีนประมาทของเพื่อนและคนทั่วไปไม่มีใครจะสงประสงจะแต่งงานด้วยก็คนขี้บกขี้เวี้ยนี่แหละเขาประสงค์แต่งงานกันแต่นักป่าไม่แต่งสิ่งไหนที่นักป่าติสิงนั่นควรควรเว้นสิ่งไหนที่นักป่าชมสิงนั้นต้องควรรักษาไว้คนผ่านเอาเป็นประมาณไม่ได้ สิ่งที่น่าชมมันติก็มีสิ่งที่น่าติมันชมก็มีเช่นธุลาอย่างนี้กินเป็นระยะระยะมันไม่เป็นปัญหาดอกเขาก็แต่งเอาครับบางบางครัง้งมันจําเป็นนะหลวงปู่นะไอ้เรื่องธุลาเป็นระอย่างเลยครับคือคือผมผมอาจจะมองกับหลวงปู่คนคนละมุมนะฮะแล้วนะผมมองในทางตั้งขลรวาอย่างกรณีผมปกคอรองลูกน้องผมร้อยคนซึ่งเป็นคนละเรือนมันมันแตกตา่างฐานผมไม่เชื่อปนะัญหาหลวงปู่น ะ, ะ, ไ, นะไม่ใช่ มิตรแท้สี่จำพวกมิตรอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรมีความรักใคร่มิตรมีอุปการะมีลักษณะ4ี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้หมา่นเล้วงสองป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้หมา่นล้ยงสามไม่ไปเอาเป็นที่เพื่อนความลำนักได้สี่เมื่อมีทุรไดช่วยออกทรัพให้เกินกว่าที่ออกป่ากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะสี่ทุกก็ทุกด้วยสุขก็สุกด้วยโต้เถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสนับสนุนเพื่อนมิตรเนีประโยชน์มีลักษณะ4ี่ห้ามไม่ทำความชั อนุเคราะห์นโน่นใจอันงามบอกทางสวรรค์ให้การคข้มงวดในทางพุทธศาสนาก็เปิดอยู่แล้วมีแค่นี้ครับครับใช่ฮะฉัน่ถูกครับไม่ใช่ว่ากีดกันเลยไม่ครบครับแต่ที่นี้ว่าในด้านทางปฏิบัติเนี่ยบางครั้งสายคาวาสเนี่ยมันจะต้องแตกแตกจนท้าพุทธศาสนาไปซึ่งมันจะไปข้อแตกยอาแต่ยอยแบบลากฝอยกัไปครับ ที่ผมปกครองเนี่ยผม้อใช้ทั้งจิตวิยาทั้งในการแบบพูดภาษาชาวบ้านอะถึงหนูถึ ง, ถงคนใช่ไหมครับใช่ในการที่เราจะเอาเข้ามาเป็นพวกของเราอะครับใช่ไหมเอาเขา้าเข้ามาทํางานให้เรานะแบบสงคราำดึงประชาชน ซ, ซ, ซึ่งรัฐบาลทำํำทุกวันเนี้ยเหมือนกันนะทุกครออกเข้าป่าเนี่ยผมต้องไปทําตัวเข้าประชาชนใช่ไหมครับผมเป็นผมเป็นเจ้าที่บันเมื อ, อย่างเงี้ยเจ้าที่ปกครองถ้าไปเจอประชาชนป้อมเราเถียงผมจับผมก็ก็าตายเท่ากับเป็นการแยกแบแยกประชาชนออกไปใช่ไหมครับ ผมจะไปชบร้องเถื่นป๊อบเขาน่ า, นากินเรเถืนผมต้องโบกเข้าไปกินกเข้าด้วยอันนี้คือลากฝอยซึ่งแตกแตกไปตัวไปจากภูศา ส, สนาหลวงปูย่ยอมรับไหครับพระเจ้าพิมพ์เสารทรงอํานาจสิทติขาดจึงทรงพระนามว่าราชามคธูแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินมคธทรงอํานาจชิทติขาดกฎหมายท่าท่านตั้งเองคนเดียวไม่ต้องอาศัยคนอื่นเพราะเหตุใด เพราะท่านเป็นพระสสดาบาลการพระสวัสดาบรลแต้ง แ, แ, แ, แต่งตั้งกฎหมายนั้นไม่ได้เข้าข้างตัวเพราะเอาสินห้าเพราะเอาทำมาเป็นแว่นเสก่อนจึงตั้งกฎหมายเหตุฉะนั้นจึงสามารถตั้งกฎหมายคนเดียวได้ทรงอำนาจสิทธิขาดไม่เข้าข้างตัวกฎหมายที่เกี่ยวด้วยสุรามีัยก็ดีที่เกี่ยวด้วยการพันกดี มันก็ไม่ถูกกับกิเลสหลวปู่อยู่ถ้าเราถือศาสนาะพุทธก็ยกเลิกออกซะในประเทศไทยไม่ควรมีเแต่เราพูดไปก็เป็นการเมืองแต่ก็เป็นการพระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะพระพุทธศาสนาห้ามเนี่ครับอือ ม, มันเริ่กจะขัดกันมันก็ขัดกันครับขัดกันแล้วเศรษฐกิจด้วยอืมเศรษฐกิจด้วยที่นี่เศรษฐกิจที่นี่คัดเศรษฐกิจของพระพิสุสงฆ์อีกด้วยเนี่ย ผู้ที่เข้ามาหาพระพุทธศาสนาก็มาผูกเขาเรียกเอาผ า, ากับพระไปเยอะแยะทุกวันนี่นั่นตกลงพระก็เลยเป็นสนามเป็นเป็นเป็นเป็นสนามการพนันไปใช้แล้วทีนี้พระผู้เมรุอีหนูอินี่ก็พลอยเป็นไปกับเขาด้วยครับอืนั่นทีนี่เราได้เงินในส่วนนี้เข้าไปใน ในบำรุงชาติชาตินะไปไปบำรุงชาติก็จริงแต่ว่าสอนลูกให้เป็นโจรบิดาก็พาลูกบิดาคือรัฐบาลลูกคือประชาชนแล้วก็เล่นการพนันกันมันจะลุ่งเรืองมาจากประตูไหนที่นี่จะได้ตากงนานล้านที่นี่ตั้งนานล้านก็ตามจิตใจของมนุษย์มันเสียไปเนี่ยมันไม่ถึงสินถึงธรรมมันทำ หาเลี้ยงชีพไม่สมควรนะมันเสียไปกี่ล้านนะทีนี้มนุษย์คนหนึ่งคนหนึ่งจิตใจมันไม่ถึงทนเสียไปกี่ล้า น, นที่นี้ไ ม, ม่คุ้มค่าแต่แต่ศาสตร์เศรษกิจเนี่ยเราก็เลิกไปได้ถูกไหมเรากไ ม, ไ, มได้เราจะไปเลิกโรงงานป้อมสุราถูกคนงานอีกประมาณเกือกับแสนคนตกงานทันทีนะครั บ, บถ้าเราเลิกสลา <c oughs> กินแบ่งรัฐบาลนะครับคนงานอีกประมาณหมื่นคน ตกงานทันทีตกก็หากินทางใหม่ลุงปูกขนาดนี้คนเราประมาณสักผมว่านะฮะประชากรเราห้าสิบล้านเนี่ยคนที่ตกงานแล้วเลยที่ไม่มีงานทําขนาดนี้นะะตกประมาณคือเกือบสิบล้านคนเลยเพราะนี้ไอ้ไอ้ไอ้โจกอะไรต่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากมันเกิดขึ้นมาครั้นี้มันป้อนมาทํางพระแล้วลุงทีก็ต้องฝากลุงปลูกแล้วนะครับว่าลุงปูกต้องพยายามเทศพยายามอะไรเรื่องสอน สั่งสอนเลยครับพยายามดึงคนให้เข้าทางพุทธศาสนาให้มากมันก็รั่วมาจากหลังคามันจากอกไก่มันแล้วงครับเนี่ยมันรั่วลงมาแล้วมันรั่วมาแล้วทีนี้อันนี้เขาจะบอกว่าพระสงฆ์ครับพระสงฆ์พระสงฆ์สู้ไม่ไหวพระสงฆ์สู้ไม่ไหวเราพระสงฆ์มันมีอํานาจคืออันนี้เท่ากับว่าบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาประเทศนะครับมันในขั้วข้อนี้นะครับ คือตอนีพระสงฆ์นะครับผมก็เห็นว่าเห็นว่าสมาคมเทราอะไรนั้นเขาก็ยายามจะจะตั้งเป็นกองทัพธรรมขึ้นมานะแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้ไประโยชน์ขนาดไหนเที่ยวจานฤกเผยแพร่อะไรต่างๆซึ่งเขามีโครงการอะไรกันมาเนี่ยแต่ผมไม่รู้นะว่ า, ว, า, ว, าว่าเขาทำก็ได้ขนาดไหนนะอันนี้เท่ากับว่าบทบาทของพระสงฆ์ในการช่วยพัฒนาประเทศชาติคําสอนของพุทธศาสนาเป็นคําสอนพัฒนาอยู่แล้วถ้าเป็นคําสอนก็เรียกว่า ร่มจมพัฒนาคําสอนของพุทธศาสนาสอนทั้งคาราวาดดว ส, ส, ด, สด้วยสอนทั้งพิสุทธสมณเณรด้วยสอนทั้งพระโสดาบันด้วยสัคทาคามีด้วยอนาคามีด้วยอรหันหด้วยถ้าปีนคําสอนอันนี้แล้วใครจะเก่งกาศอํานาจไปที่ไหนก็ไปไม่รอดดอกเพ mm. ราะคารวาสท่านก็สอนหมดแล้วท mm. ี่ีปฏิบัติทั้งเล่มเป็นคําสอนของคาราวาสนะ mm. เป็นธรรมดาสอนโลกอยู่แล้ว จะตุกกะกรรมะกิเลคือกรรมเครื่องสมองสี่อย่างป้านาตีปากทำชีวิตในตกลุว่วอาทิตนาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมาให้ด้วยาการแห่งขโมยกามสุมิทยาจานประพฤติผิดในกาลสีมุสาวาตพูดเท็จกรรมสย่นีน้นักป่าไม่สนสับสนนเลยอบายยังมุกคือเหตุเครื่องคิดหมายมีสี่อยางเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเรื่องการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรมันเป็นคําสอนตายตัวอยู่แล้วนี่ เป็นคำสอนแต่ตัวอยู่แล้วนี่นี่เราจะไปหาคำสอนที่ไหนมาสอนอีกจะให้ดีเด่นกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีดอกคือครับขณะนี้ถูกไหมนี่คำสอนที่ที่มีอยู่นี่มันไม่ทั่วแล้วลุงปู่ขณะนี้นะครับมันทั่วมันเอาไปขายอีกซ้ำแต่มันไม่ประพฤติตามนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะมันบป็อันนี้ครับพอทุกทุกครับขณะนี้ลุงปู่ก็มีบทบาทแล้วทํายังไงได้ให้มันประพฤติตามคำสอนของลุงอันดีเขาก็ว่าธรรมะพระเจ้าได้ ถ้าทำได้เงี้ยไม่ต้องมีตํารวจไม่ต้องมีอะไรแบบผ้อปลูกว่าแน่นอนแน่นอนนะแม่นอนครับผมยอมรับทีนี้มันก็กรรมมุนีนาวัตติโลโกสัดโลกเป็นไปตามกรรมเพราะเขาเห็นอยู่ในชั้นนั้นครับเขาเห็นอยู่ในชั้นนั้นอันนี้แหะครับคือนี่แหละครับผมึะบอกว่ามีพระองคเลื้องวิสัยเหมือนกันครับเลี้ยงวิสัยก็คือพระสงฆ์นี่จะต้องช่วยให้เขาพ้นกรรมนะฮะพ้นจากกรรมอันนี้ขึ้นมาแต่วขึว่าฉุดออกจาก ขุนที่เราไหลไม่รู้ก็เนี่ยให้รักษาสินห้าเนาะที่นี่มันก็ไปผูกอเลขก้าที่นี่อผมก็ผูเขาอย่างนั้นแหละครับให้รักษาสินแปดนะที่นี่มันก็ไปผูกอเล็กแปดที่นี่ครับออันนั้นก็พวกบ้านี่ยจับห้าแปดนั่นแหละไปจับห้าแปดซะอย่างนี้ครับมันก็หมดทวนทางพระหมดทวนทางเลยพระแต่พูดที่ ถึงทำแท่นมันก็มีอยู่แต่เขางวก็ขนงวทีนี่มันมีเพียงเขางัเท่านั้นอันเลือนด้านมัก็ขนงวทีนี้มันก็สู้หม่ไว้อีกวังกันปีที่สองพันห้ารอแปดเนี่ยท่านจ้คุณท่านจ้คุณพิสารศาสนาจิจมาให้หลวงปู่คนหนึ่ง เป็นเป็นพระธรรมทูตให้อาจารย์ให้ท่านอาจารย์คงแก้วองหนึ่งให้อาจท่านอาจารย์มหาบุญมีองหนึ่งท่านอาจารย์มหาบุญมีเป็นอาวุโสสูงท่านอาจารย์คงแก้วเป็นที่สองหลวง ป, ปู่เป็นที่สามไปด้วยกันไปเทศนาท่านก็อธิบายมาว่าขั้งพุทธการ ค้ามพุธการก็ยังให้ไปประกาศศาสนาไปคนอาทิตย์ละทางท่านอธิบายนะนี่หลวงปู่ก็เถียงอย่างนี้หลวงปู่ก็เถียงต้องทำตามปฏิัทาของหลวงปู่มัน่น <c oughs> อยวไปอยู่ที่เก่า <c oughs> ออกเที่ยวประกาศศาสนาห <c oughs> ลวงปู่มั่นไม่ใช่ท่านแบกกรดพายม่งพายบาดไปเที่ยวสั่งสอนคน ท่านไปปฏิบัติอยู่ในป่าของท่านต่างหาผู้ใดเขาเลื่อมสายไปหาท่านท่านมองโล่พอที่จะเทศได้ท่านจึงไปเทศเอาอันนี้เราไปเคาะประตูเขาเทศจงหาบเอาอตมาพูดอย่างนี้หลวงปู่พูดอย่างนี้ครับใช่ครับเ<อ>ข้ามาเจ้าพิมพิสาร พระยอดพิมพ์ปสานมากราบพระบรมาสารีรัตน์เป็นคน12ละหุษละหุษหนึ่งคงมีหลายหมื่นน่ะพระบรมศาสดามองดูเขายังไม่เคารพพอท่านก็ไม่เทศเมื่อเขาเคารพพอแล้วอมท่านจึงเทศแต่เม่อลำของเขาก็ยังมีเกียรติกรพระนี่อย่างนั้นผมไม่ยอมละเถียงครับ เมื่อลำหมอครับอะไรเขาอยู่บ้านเขามีคนไปเชิญไปจ้างเขาอันนี้เราไปเที่ยวเคาะประตูเทศเขาอืก็ผมไม่ลงด้วยปลามันไม่อุ้บผงขึ้นมาเราก็คว้างแห่ไม่ได้นะใช่แต่มันอุ้บหงขึ้นมาจริงๆเราคว้างไปตัวโตๆมันก็เลิกตีนแห่ของเราไปเนี่ย ถูกไหมถูกครับเล่นให้หลวปู่ให้พักผ่อนิดนึงนะเขาก็เดี๋ยวมีช้าก็อานนาหลวงปู่ไชั่วโมงเลยนะครับเปเลยนะเป็นเลยอ่ะทุกวันนี้พระไต้พี่ดอกเขาขายกันหมดแล้วพวกเขาไปปฏิบัติสินทำเขาจําพระสูตรพระวินัยได้ยิ่งกว่าเราด้วยอืเราลืมไปเราก็นึกว่าพระนี่เราก็ยกมือใส่ กะมันขันานีอไปบูชาข้างล่างเออบูชาข้างา